วั น, นี่ก็เปลี่ยบมันก็จิตจิตมันจะอยู่นิ่งเป็นสมาธิได้ก็เพราะว่ามันถูกเหนี่ยวเอาไว้กับอารมณ์หลักหรือเสานี่ก็เปลี่ยบเส ม, มือนกับอารมณ์ที่เราใช้ในการกำหนดเจลมหายใจหรือว่าอิริยาบทการเคลื่อนไวหวหมืออาจจะเป็นงานที่เราทำอยู่